บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุ ป, ปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานที่เราเรียกว่าภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั้นเป็นความเพยายามที่จะเพิ่มความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจ เมื่อจิตใจมีความสงบแล้วกิเลส ท, ที่มีประเภทต่างๆก็จะสงบตามไปด้วยแต่บางครั้งก็จะกล่าวในแนวของการละพวกกิเลสพวกอกุศลทั้งหลายอย่างในหมวดที่วา ด, ด้วยนิวรซึ่งได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การลดละกิเลส ซึ่งในแง่ของการปฏิบัติแล้วจะพูดในแนวการละ ก, กิเลสหรือแนวการสร้างความดีก็ต่าที่เราพูดกันว่าแนวละชั่วประพฤติดีหรือแนวการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์และการทํำจิตให้ผ่องแพ้วนั้นก็จะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เกิดประโยชน์นมีลักษณะเกือ้อกูลและอํานวยความสุขให้แก่ บ, บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้นๆ เรื่องนิวรณ์ที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นถ้าพาถึงเรื่องของวิจิกิจฉานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นั้นเป็นกิเลสประเภทโมหะเป็นความรู้ที่ไม่จริงก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องหลอกดั น, นลักษณะของกิเลสประเภทโมหะนั้นท่านอุปมาเหมือนไฟแกรบ คือเปลวจะไม่ลุกเพลิงแต่ว่ามีการแผดเผาร่าบร้อนรุนแรงเพราะนอาการของความโลภพอดีความโกรธพอดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจถ้าบุคคลได้ตรวจสอบดูจิตว่าทําไมจึงโกรธทําไมจึงโลภก็จะพบได้ว่ามีความหลงนี่แฝงอยู่ในความโกรธความโลภเหล่านั้น เพราะในจุดใดที่เราไม่โลภเราไม่หลงจุดนั้นเราก็จะไม่โกรธในจุดใดที่เราไม่หลงในจุดนั้นเราก็จะไม่โลภนี่ก็คือลักษณะที่เป็นความต่อเนื่องของกิเลสพระการปฏิบัติขัดเกลอกิเลสประเภทโมหะก็ชื่อว่าขัดเกลอกิเลสประเภทอืน่นให้สงบประงับลงไปวิจิสาคือความเคลือบแครงสงสัยนั้น ท่านจำแนกออกไปเป็น8ประการนะที่เคยกราบแล้วใน8ประการนั้นประรบพระตนตรัยอยู่3ข้อคือความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในตัวพระธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการแสดงของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่เรียกว่าใจสุขานั่นเองมันก็เกิดความเคลือบแคลงสงสัยตามไปด้วย จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญเพราะถ้าหากว่ายังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ตราบใดการก้าวไปของจิตการพัฒนาการทางจิตในด้านละความชั่วประพฤติความดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะในความเป็นพระธรรมนั้นมันจะมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีและส่วนที่เป็นกลางถ้าเกิดความงสงสงใส่ว่าเรื่องนี้ควรละหรือไม่ควรละเรื่องนี้ควรประพฤติหรือไม่ควรประพฤติ ตราบเท่าที่มีความสงสัยอยู่นั้นการละก็ดีการประพฤติปฏิบัติก็ดีก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ตอนเรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่งกลางปัาการทางจิตของบุคคลที่เข้าสู่กระแสของปณิพันธ์ก็คือท่านที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์และในใจสิกขาจากจุดนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่า เรื่องของพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเรื่องไตริคอาก็ดีนั่นส่วนหนึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยศรัทธาเป็นฐานสำคัญพัฒนาการทางกิตจะเหมือนกับพัฒนาการทางกายในหลายๆเรื่องคนนี้เราสังเกตว่าความจเจริญเติบโตในชีวิตของเรานั้นส่วนใหญ่เราไม่ได้อาศัยปัญญาแต่เราอาศัยศรัทธาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมา จนเป็นเด็กโตศึกษาโล้เรียนในที่ต่างๆก็อิงอาศัยความเชื่อต่อพ่อแม่ผู้ปกครองกับครูบาอาจารย์ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดถึงสื่อสารต่างๆเอกสาร ต, ต, ต่างๆที่เราศึกษาแล้วเรียนมีเป็นนั้นมากที่เราไม่สามารถใช้ปัญญาได้เราก็ใช้เพียงแค่ศรัทธาก็เชื่อเชื่อโดยยอมรับนักถือสถานะของบุคคลผู้นันน้นในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์ หรือเป็นคนที่รู้เรื่องเหล่านั้นดีเป็นตน้น แ, แสดงว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นสืบเนื่องมาจากผู้ที่เราเชื่อถ้าเราไม่เชื่อตัวคนอันเป็นที่มาของสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นด้วยจกการที่เรารับประทานยาเข้าไปเรามีความเชื่อว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วอาการของโรคจะหายลง มันซึมเนื่อมาจากความเชื่อในตัวหมอซึ่งให้ยาเราจึงพร้อมที่จะรับประทานยาเข้าไปแต่เมื่อรับประทานยาหายไปแล้วโรคมันเกิดหายขึ้นไปในจุดนั้นเองเราจะเกิดปัญญาขึ้นเพราะมีสัมผัสตรงด้วยตัวเองในโอกาสต่อไปแม้คนอื่นนำมาให้หรือเราไปซื้อออาที่ตลาดแต่เป็นยาชนิดเดียวกันกับที่เราเคยหายจากโรค เราก็พร้อมที่จะรับประทานนั้นแสดงว่าทั้งปัญญาและศรัทธาในทัพงานเป็นปัจจัยคือกูลซึ่งกันและกันแต่แม้แต่เราโตเป็นผู้ใหญ่เป็นวิญญชนแล้วเมสังเกตว่ามีเรื่องเป็นอันมากที่เราใช้ปัญญาไม่ได้นอกจากว่าใช้ศรัทธาเอาดังเราไปในที่ใดที่หนึ่งเราไม่รู้ถนนที่จะไปในที่นั้นอาจจะจอดรถลงถามเด็กๆข้างถนน อาจจะถามกรรมกรอาจจะถามแท็กซี่สามล้ออะไรก็ได้แต่คนเหล่านั้นก็บอกก็ชี้ทางในจุดนั้นเพิ่งสังเกตว่าเราเชื่อในบุคคลเหล่านั้นทั้งทัที่เขาก็เป็นมีความรอบรู้ฉลาดปราดเปรื่องอะไรแต่สำหรับเรื่องนั้นเขาเป็นเจ้าฉิ่นก็รู้ดีแล้วก็ไปตามมือที่เขาชี้โดยไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาอะไรใดเพียงแต่ว่าอาศัยศรัทธาในตัวบุคคลท่านนั้น ผลหลักความจริงในการดำรงชีวิตแล้วตั้งแต่เกิดถึงตายเนี่ยคนใช้ศรัทธาเป็นหลักไม่ได้ใช่ปัญญาเป็นหลักเพราะปัญญาจะไปสอดสองได้ทุกเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนอกจากท่านที่พัฒนาปัญญาขึ้นไปได้จริงๆงแต่นั่นเองที่ทำได้เพราะแนวของพระคุณพระพุทธเจ้าประรรมพระสงฆ์และในใจจิตขาจึงมีอยู่สองระดับระดับแรกก็คือต้องเชื่อ เชื่อไปตามที่ท่านว่าไว้ท่านแสดงไว้หรือใครเชื่อความเป็นมาในด้านประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีซึ่งเราจะไปพิสูจน์ทดสอบจริงๆมาทาไม่ได้มันเรื่องมันผ่านมาแล้วมันก็เชื่อเท่าที่หลักฐานเอกสารพยานต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกระดานั้นๆเองทำไมาคนจึงเกิดความเคลือแคลงสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้า ข้นี้ก็มันก็กลับไปที่เดิมที่เรียกอายุนิโสปันตสิการคือการไม่กระทําไว้ในใจด้วยปาณิยับคายไม่คิดจะมีเหตุปีผลในเรื่องของพระพุทธเจ้าในองค์พระพุทธเจ้าในความเป็นมาของพระพุทธเจ้าตลอดถึงสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานยืดยันเรื่องความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่มีที่มาและก็มีที่ไปสืบเนื่องกันมาได้แต่คนบางคนอาจจะอาศัยความเชื่อในแหล่งอื่น ที่นไปได้ยินได้ฟังคนพูดในทํานองปฏิเสธพระพุทธเจ้าตัวเองก็ไปเชื่อตามคนนั้นแล้วมาปฏิเสธพระพุทธเจ้าให้ลองความให้ลองดูความคิดของช่วงของคนผูน้นี้จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของศรัทธาในแหล่งข่าวที่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเพราะเขาเองก็ฟังเข้ามาเหมือนกัน แต่ที่น่าสลดก็คือว่าแย้ความสำคัญแกแหล่งข่าวเหล่านั้นมากกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งมีหลักฐานยืนยันได้มากกว่าเราจะมองในส่วนของโบราณค ด, ดีมองในส่วนวัตธรรมะมองในการสืบศาสนาบ่งกันมาเพราะในจุดนี้ที่จริงคนก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเพียงแต่ว่าใช้ศรัทธานในแหล่งอื่นมาปฏิเสธพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง พันประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตได้รงชีวิตชีวิตดูแล้วในอดีตแล้วก็จากไปในอดีตมีหลักฐานเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อยู่เป็นจันมากแต่คนได้ศึกษาสืบคน้นปนิจนพิจารณาไปก็จะทำให้ศรัทธานั้นเพิ่มขึ้น แล้วปัญญาเองก็จะเพิ่มขึน้นแต่บางเรื่องก็ยากต่อการคิดการจะสวจสอบโดยเรื่องอดีตการที่นานไกลบุคคลก็ต้องอาศัยศรัทธาคือเชื่อมัน่นในคุณของพระพุทธเจ้าพราะศรัทธาที่แสดงไว้ในที่ต่างๆไม่ว่าจะปรากฏในที่ใดก็ตามที่เป็นแกนหลักและเป็นพระพุทธทว่าจริงๆ เราไม่อธิบายในรูปของกรรมสัทธาวิปากสาัตธาหรือกรรมสกทาสาัทธาย่างที่อธิบายกันมากแต่พระบาลีพุทธวจนะนั้นจะไปเริ่มที่สัทธาในพระพุทธคุณตามระยะที่สุดสรรเสริญแก่นั่นเองเพราะแม้เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า阿拉ขังทรงเป็นพระหัน สมาสพุทโธองศา ส, สุดีสุส ร, สสรุชอบโดยพลงเองวิชาเจะนะสัมปันโนสรงสมบูรณ์ในวิชาคือความรู้และเจรณะคือความประพฤติสุกโตเสด็จไปดีแล้วโล ก, กวิถูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรบริสธรรมาสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่าง ย, งยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่าสถานเดวมนุษสานังทรงเป็นาศาสตราของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานพรกวา เป็นผู้มีโชคเป็นผู้จับแนแกแจกจ่ายทําเป็นผู้มีภคธรรมปัญหานต้องการเราเชื่อในจุดนั้นหรือไม่เชื่อตามรูปตะคุณแต่ละบทได้หรือไม่แต่แม้จะไม่เชื่อทุกบทเรว่าจะได้ส บ, บทหนึ่งเช่นเชื่อในความเป็นประหารเชื่อในความเป็นสมาสมุทะเชื่อในความเป็นผู้สมบูรณ์ในวิชาและความรู้เป็นต้นเราเชื่อในความเป็นพุทธะเป็นพระว่าที่ส่วนสรรเสริญกัน จะสามารถสลายความไม่เชื่อในพระพุทธคุณข้ออื่นลงไปได้เพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วพระพุทธคุณทั้งเก้าบทที่เรียกว่านาวหาราชุนนั้นเป็นการแสดงถึงพระปัญญาคุณพระบริสุดที่คุณและพระมหาคุณาคุณของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏใจนั้นเองซึ่งในที่บางแห่งท่านขยายออกไปเป็นร้อยๆก็หลายร้อย คือการพัฒ น, นาทึ้งสิ่งที่สวยงามนั้นก็แล้วแต่ที่จะพัฒ น, นาออกไปตามแรงบันดาลใจตามแรงศรัทธาเลื่อมใสตามความรอบรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นของบุคคลเพราะในจุดเดียวกันนั้นคนมีความทรับซึ้งในสิ่งนั้นไม่เหมือนกันเวลาแสดงออกเวลาพัฒ น, นาขยายความอธิบายมันก็พูดได้ไม่เหมือนกันแต่จะพูดในแง่มุมที่ดี เพราะอาศัยแรงศรัทธาแรงเกรงเคารพแรงกรตัญญูเป็นต้นทางการศึกษาพระพุทกคุณนั้นส่วนหนึ่งเราต้องใช้ศรัทธาไปก่อนเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราดูไม่ออกเช่นคาว่าอาระราหังที่แปลว่าไกลจากกิเลสหักกรรมแห่งสังสารวัฏเป็นผู้ควรไหว้ผนวชจารไกลาจากกิเลสนั้นเป็นเรื่องของพระบริสุทธิ์ชื่อคุณพระเจ้าสนิผ่านไปแล้ว แต่เวลาจะดูจุดจุดนั้นก็คงจะดูยากแต่ก็อาจจะใช้ปัญญาพิจารณาสดสองในจุดอื่นสืบสารมาเป็นความเชื่อเป็นเรื่องของความรู้ในด้านต่างๆตลอดถึงองค์ธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้แต่เราพิจารณาที่องค์ธรรมการจัดองค์กรพวกปัจจิมพุโตว่าทั้งหลายที่รับสั่งต่างๆแก่พุทธสาวกนั้น แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์พระไทยที่พระมงมีต่อสัตว์โลกไม่ได้มีการประรบอะไรเพื่อประมงเองเลยแต่จะประรบถึงบุคคลทั้งหลายต้องการให้คนทั้งหลายได้อยู่ด้วยความไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคคนที่มีการกระทําลักษณะนี้การพูดออกมาลักษณะนี้แสดงถึงความบริสุทธิ์ภายในจิตใจของท่าน ท, ท่านมีความเมตตากรุณาต่อบุเหลต่อคนแต่เรื่องพระพุทธคุณจึงเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาคิดนำมาพิจารณานำมาประพฤติปฏิบัติจนถึงจัดเป็นพวกอนุสติทั้งหลายอย่างที่ ท, ทราบกันเพืสังเกตว่าแนวทั่วไปที่เรียกว่าแนวศาสนาพิธีเรานำเอาพระพุทธคุณมาสวดบรรษาทนายเพื่อจิตใจส ง, งบอยู่ที่โบทของพระพุทธคุณจะแปรได้หรือไม่ได้ก็ช่าง ภาในจุดนั้นต้องการจะให้จิตเกิดสถาเร่มใสเป็นประการสำคัญต่อมาจะมีการศึกษาเรียนรู้ถึงสารัะเนื้อหาของบทพระพุทธคุณแต่และบทแล้วก็นามาเจริญในรูปของอนุสติตั้งสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านอกจากจะด้วยการสวดสาธยายโดยการพิจารณาแล้วยังนำเอาพระพุทธคุณบทนั้นๆมา ภาวนาเช่นภาวนาพุทโธเป็นตนแต่ถ้าต้องการจะให้เกิดเป็นความรรู้จริงๆเป็นสัมผัสตรงก็คล้ายๆการชิมอาหารด้วยการดมกลิ่นของสิ่งทั้งหลายต้องการจะให้ประสาทสัมผัสของตนก็คือใจได้สมบัติคุณของพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็นำนำคุณเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติ จะยกตัวอย่างว่าพระเจ้าสรงหักกรรมแห่งสังสารวัชร์ง่ายว่าหักกิเลสได้ก็ทำลายกิเลสได้ถ้าทำลายกิเลสได้กรรมมันก็ถูกทำลายไปดูตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเราเคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้าหรือเคยเล่นการพ น, นันพวกเหล่านี้เป็นการกระทำไปด้วยความโลภความหลงสูบบุหรี่ก็เป็นความโลภความหลงดื่มเหล้าก็เป็นความโลภความหลง เป็นการพานันก็เป็นความโลภความหลงมากบางน้อยบ้างก็แล้วแต่แต่ทุกจุดนั้นพร้อมที่จะเกิดโทสะทนนี้ยท่านสายช น, นหลายลองสังกเกตว่าพร้อมที่จะเกิดโทสะเช่นว่าสูบบุรีเนี่ยใครไปห้ามปรามา้สูบุรี่ก็เกิดโทสะใครแสดงอาการรังเกียจไม่พอใจที่เราสูบุรีเราก็เกิดโทสะคนอื่นมีบุรี่อยู่เราขอบุรี่นั้นมาสูบเขาไม่ให้เราเกิดโทสะ หรือว่าไม่มีบุรีขายหรือประบุรีขาดตลาดก็ เ, เกิดโทษสะมันก็จุดที่เกิดไปจากความโลภความหลงนั่นเองก็พร้อมที่จะเกิดเป็นเป็นความโกรธในเรื่องของสุราในเรื่องของการเล่นการพ น, นันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะบางทีเนี่ยการทะเลาะวิวาสของบุคคลมันสืบเนื่องมาจากสุราสืบเนื่องมาจากการพ น, นันทางด้านในการดื่มสุราเป็นเรื่องของความโลภความหลง ก, รรงการเล่นการพนันเป็นเรื่องความโลภความหลง แต่ในจุดนั้นแหละพร้อมที่จะแปรกลับเป็นความโกรธความประทุษรายแต่ยังพบปรีกรับพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นเป็นอันมากที่อาศัยสุราเป็นเหตุการ์บันนเป็นเหตุโดยการสูบบุหรี่เป็นเหตุทีนี้เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษหรืออาจจะไม่เห็นโทษโดยตัวเองแต่ก็เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เสีอคนที่เราเคารพนับถือทั้งขอร้องให้เลิกเรื่การบันนานให้เลิกสูบบุหรี่ให้เลิก ดื่มสุราแล้วเราทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติเราทําได้ทั้งสาอย่างเราจะเคยมาทั้งสามอย่างแล้วก็ละไปได้ทั้ง3อย่างในขณะนั้นโดยเนื้อหามันก็หักกิเลสได้เพราะเจตนาที่ประกอบด้วย อ, อกุศลอย่างเคยเกิดเกิดอยากเย็นสุบุรีเกิดจากจะ็ดื่มเหล้าเกิดจากจะเล่นการผันหนังมันก็ไม่มีก็แสดงว่าดับกรรมในความคิดที่จะสุ ในการพยายามที่จะสุบตลอดต้องการวิ่งเต็นซื้อขามาแล้วก็ทะเลาวิวาะกาันเพราะการผันนันเพราะการดื่มสุราเพราะการสุ ป, ปรี่เป็นเหตุเนี่ยมันจะมันจะตัด ก, กระแสเหล่านั้นแม้แต่เราจะไปเกี่ยวข้องกับการดื่มการพนันการสุ ป, ปรีในการดื่มสุราแต่เราก็จะไม่เกิดความอยากในโรคเหล่านั้น เพสิ่งเหล่านี้เราก็ดูได้ด้วยใจของเราว่านอกจากจะหักกิเลสได้แล้วเนี่ยแม้จะอยู่ใกล้กิเลสแต่มันจะไกลกิเลสสามารถปฏิบัติตนสํารวมตนอยู่ได้อย่างเหมาะสมเราก็กลายเป็นผู้ควรไหว้ควรถากถ้าูชาควรเก่กันยกย่องสําหรับคนดีทั้งหลายเพราะในจุดนี้ก็ชื่อว่าเป็นการสัมผัสพระพุทธคุณด้วยใจของเราจริงๆเพราะบทว่าอรัังนั้นระดับหนึ่งเราก็สัมผัสได้ ตามกำลังความสามารถของเราแน่นอนความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะละ ก, กิเลสได้เด็ดขาดยังไม่ได้แต่ว่าผลที่เป็นการไกลจากกิเลสเป็นผู้ไม่ถูกไปถูกปลูกเร้าไม่ถูกร ก, กระตุ้นโดยอํานาจของกิเลสเหล่านั้นมันก็มีอยู่ภายในใจเราระดับหนึ่งทะนนพุทธคุณนั้นนอกจากจะใช้ ส่วนทวนที่ช้ศรัทธานั้นแน่นอนก็ใช้สรัทธาลงไปเพราะศรัทธานั้นที่จริงแล้วเป็นกุศลเจตสิกมันเพียงแต่บางเรื่องนะฮะแต่บางเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาทิโมก ค, คือน้อมใจเชื่อเข้าไปแต่น้อมใจเชื่อก็เข้าไปนั้นก็เอาก็จริงแล้วว่าน้อมใจเชื่อใครเนี่ยเป็นประการสาคัญไม่เว่าน้อมใจเชื่อในอะไรเพราะแต่แหล่งที่มาของความเชื่อเป็นแหล่งที่ดี เรียนญติก่ามาแล้วยันพ่อแม่ครูบาอบาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีความรักความบางดีแต่เราจริงๆก็ไม่แปลกอะไรก็เชื่อไปหมดร้อยซนได้ยิ่งคุณของพรวัตนตรัยแล้วเราก็เชื่อได้ร้อซนี่ก็แสดงว่าในจุดหนึ่งก็ต้องอาศัยเรื่องของความเชื่อปัญหาสำคัญเราอยู่ที่เชื่อใครแต่ว่าคนบางคนนั้นแม้จะมีลักษณะท่าทางวาจาพูดจาอะไรก็น่าเชื่อถือแต่เราไม่รู้จักเขา เขาเป็นใครมาจากไหนมีเจตนาอย่างไรตรงนี้ต้องใช้ปัญญาคขิาไจนาถ้าปัญญาไม่มากพอก็รับฟังเอาไว้ก็แน่เรอนี้ท่านสายจุดหลายเพิ่นสังเกตว่ามันจะอยู่ตลอดไปแม้ในแนวการวินิจฉัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามหาประเทศทั้งสี่โดยรับสั่งไปใจความก่อนจะไปผ่านไป ในกาต่อไปพวกเธออาจจะได้ฟังธรรมะจากปฏิระผู้ใหญ่รูปใดรูปหนึ่งจากนักปราชญคนใดคนหนึ่งจากนักเทศคนใดคนหนึ่งจากเจ้าวาดรูปใดรูปหนึ่งหรือจากหมู่คณะใดหมู่คณะหนึ่งและนํามากล่าวอ้างวันนี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนาพวกเธอก็รับฟังเอาไว้แล้วก็นํามาสอบทานเจียบเคียงกับหลักคําสอนในประสูนย์ดู แต่พอลงการสมการก็ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ลงการไม่สมการก็ถือว่าใช้ไม่ได้เรคะนั้นก็จําสกรมาผิดในจุดนี้ท่านสาธชนต่งางๆจะพบว่าคําสอนนั้นมุ่งไปที่คนซึ่งเราไม่รู้ที่มาที่ไปไม่ใช่ว่ารับฟังไว้แม้แต่ครูบาอาจารย์นะไม่รัพฤื้ปฏิบัติรับฟังก่อนขอเทียบเคียงดูก่อนก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามุ่งไปที่คนซึ่งเราไม่รู้จัก พื้นฐานของท่านลักษนิสัยของท่านความเป็นมาของท่านคือเป็นใครเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงต้องนําไปเทียบเขียงหมายความว่าในจุดนี้ถ้าใช้ปัญญาเข้ากํากับสิ่งที่เราเราฟังมาเราแก้ปัญหาได้แต่ถ้าหากว่าใช้สถานล้วนเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงแล้วจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะการใช้ ธรรมะคือศรัทธากับปัญญาเป็นหลักในการเชื่อต่อคุณพระัตนตรยัยหรือว่าไม่เชื่อต่อคุณพระัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะแยกได้แม้ในขณะที่เราใช้ศรัทธาอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญาบางเรื่องในขณะที่ใช้ปัญญาอยู่นั้นบางเรื่องเราก็เจาะไม่ไหวคือส ต, ติปัญญาของเราไม่มากพอเราก็ใช้ศรัทธาไปก่อน อย่างน้อยก็ในชั้นของการรับฟังไวอย่างที่ว่ามาแล้วนี่ก็เป็นแนวของแสดงว่าแนวหนึ่งก็คือน้อมใจเชื่ อ, อแนวหนึ่งก็คือยโยนในโสปนสิการคือการใช้ปัญญาพิจารณาในทุกแง่ทุกมุมของพระพุทธเจา้าเอาทุกแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้แต่หากว่าไม่มีความสามารถพอแล้วจิตใจก็จะนมน้อมเข้าศรัทธามากยิ่งขึ้นในคุณของพระพุทธเจา้า ท่านสายชนทั้งหลายที่เคยไปในปูจเนยสานทั้งหลายสังเวชจรารย์สถานในประเทศอินเดียที่เกี่ยวข้องการประสูตรสริสวรรคนิพพานของพระพุทธเจ้าในการดํารงประชานมาชีพพักผ่อนของพระพุทธเจ้าในสถ า, านที่เหล่านั้นผึงสังเกตว่าถ้าเราไปอย่างมีความสนใจมีความตั้งใจศรัทธานในคุณพระทั้งหลจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันจะเพิ่มขึ้น จะถึงกับบางคนเนี่ยไม่สามารถใช้ปัญญานำได้แต่ถ้าเห็นว่าสถานที่นั้นมีส่วนในการเพิ่มพูนศรัทธาไปในใจของท่านน้มันคงทัานก็ไปแล้วไปอีกแต่พอถึงจุดหนึ่งมักเป็นการประสะสมประสบการณ์ความรอบรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ซึ่งพบเห็นด้วยตาตัวเองส่วนหนึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีส่วนหนึ่งก็ได้ยินได้ฟัง จากผู้นําเชี่ยวหรือได้อ่านแต่เอกสาร ต, าต่างๆก็แสดงปัญญามันก็เพิ่มขึ้นจะทําทให้สิ่งที่เราเชื่อ น, นั้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นเป็นในขณะเดียวกันบางสิ่งบางอย่างที่เคยน้อมใจเชื่อเอาไว้โดยขาดเหตุผลขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อปัญญาเราเพิ่มขึ้นเราก็ไปชําระศาสว์สารไอ้สิ่งที่เชื่ อ, อไว้ ก็สิ่งที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้ที่ต้องทิ้งออกไปก็สามารถเอาทิ้งได้แต่ก็ใช้ประโยชน์จากตัวเนื้อตัวแกนของสิ่งที่เราเชื่อถือต่อ น, นั้นเป็นแนวการปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านใช้กันในกระบวนการศึกษาปฏิบัติธรรมะทางพุทธศาสนาทุกระดับนะตั้งแต่ระดับสงสารนภิชีท่านสาธารณทั้งหลายเน่าช่วงช่วงต้นๆเนี่ยจะเน้นที่ศรัทธา แล้วจนถึงระดับจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยการเจริญพุทธานุสติแล้วคือมายความว่าผ่านการเจริญพุทธานุสติไปจนถึงจุดที่จิตใจมีความสงบเป็นสมาธิจนถึงเป็นฌานไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นทางความสงบตามสภาพของจิตใจ จะส่งแสดงว่าศีลที่บุคคลอารมณ์ก็ทาให้มากแล้วจะทําสมาธิให้บังเกิดขึ้นสมาธิที่บุคคลอารมณ์ก็ทาให้มากแล้วจะสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นเพราะในทํามกลางจิตที่สงบซึ่งเป็นทั้งศีลเป็นสมาธินั้นเด้งปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไปสอดส่องไปพินิจพิจารณาสิ่งที่เคยน้อมใจเชื่อหรือเคยเชื่อไว้ก็จะกลายเป็นการเลือกเฟ้นเอาเฉพาะสาระแก่นสารจริงๆ จ, จ, จากสิ่งที่เคยเชื่อไว้ ทำให้การรอบรู้เรื่องศาสนาของบุคคลนั้นมีความชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้นทําให้การปฏิบัติก็สัมผัสผ ล, ผลได้ถูกตรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะธรรมะนั้นผู้สังเกตว่าจะมีลักษณะเมือนกับยาที่ทรงใช้กับพระโอษฐ์อันปรื่องคือถ้าส่วนประกอบของความปัญญาขนาด น, นั้นๆที่ การบันทึกเอาไว้ที่เป็นเอกสารหลักฐานต่างๆได้รับการนำมาปรุงเข้าอย่างถูกต้องตามสัดส่วนที่ตำรากาหนดไว้การมาบัตโรคการรักษาโรคของบุคคลก็จะบรรเทาไปได้ในเวลารวดเร็วจนถึงหายไปในที่สุดรรมปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้น การน้อมใจเชื่อเขอานั้นเป็นสังเกตว่าจะเป็นเหมือนการรับผลไม้มาจากใครคนใดคนหนึ่งครับมาแล้วก็มาพิจารณาดูอาจจะสุดดมอาจจะแทะด้ดูแล้วในที่สุดมันก็ค่อยทดลองชิมดูเป็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารดุมากเราก็รับประทานสิ่งล่านั้นเข้าไปในจุดที่สัมผัสนั้นเดงปัญญาก็จะเกิดขึ้น เพรช่วงของการทํางานเนี่ยมันก็เป็นคนละช่วงแต่มีความต่อเนื่องกันสถานนั้นเป็นการยื่นมือไปรับสิ่งนั้นๆเข้ามาแต่ก่อนที่จะบริโภคใช้สอยหรือเก็บไว้หรือว่าจะการยังไงกับสิ่งเหล่านั้นก็ต้องใค ร, คร่ตรองพิจารณาไปก่อนหลังจากนั้นหลังจากปัญญาได้ปรากฏขึ้นแล้ว ในระดับหนึ่งก็ช่วยมีการวิธจฉัยสิ่งเหล่านั้นถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะใช้ประโยชน์หรือจะทิ้งหรือจะเลือกเฟ้นเอาส่วนดีทิ้งแค่พราะขดเฉพาะส่วนที่ไม่ดีก็สามารถปฏิบัติไปได้ตามสมควรแ ก, ก่กรณีนั้นวันเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยที่เริ่มต้นจากความสงสัยในพระเจ้านั้นถ้าหากว่าใช้ศรัทธาเป็นหลักก็ดีใช้ปัญญาเป็นหลักก็ดีตามสมควรแก่จุดนั้นๆแก่ระดับนั้นๆ ก็จะสามารถบรรเทาความเครือบแครงสงสัยลงไปได้ตามสุควรแก่การเรดปฏิบัติต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป